ขอความสุขความเจริญจะมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายต้ร่มพระโพธิญาณกำลังเสนอเรื่องสัจบา ร, รมีซึ่งเป็นบา ร, รมีหลักประการหนึ่งที่พระโพธิสัตว์ได้ทรงบำเพ็ญในภพชาติต่างๆในแง่ของความเป็นจริงแล้วแต่ละชาติแต่ละชาตินั้น พระโพธิสัตว์ก็ทรงบำเพ็ญบารมีครบทั้งสิบประการแต่ว่าบารมีข้อใดหนักคือมากกว่าบารมีอื่นท่นก็จะเรียกว่าทรงบำเพ็ญบารมีนั้นๆในพระชาตินั้นๆเช่ น, นในกรณีพระชาติที่เป็นพระเวสสันดรชาดกุกเวสสันดรโพธิสัตว์ท่านเป็นเน้นที่ฐานบารมี ต่างทางที่เมื่อเรามองถึงบา ร, รมีข้ออื่นเจ็มองที่ศีลก็ทรงรักษาศีลแล้วก็มั่นคงในศีลมองที่การออกบวชก็ออกบวชเป็นพระดาบทอยู่ที่เขาวงกฎมองที่ปัญญาก็ทรงใช้ปัญญาแก้ไขปัญหาในสถานาการณ์ต่างๆโดยทรงมีพระวิ จ, วจารณญาณในการไกล มนแน่ขันติก็มีความอดกลั้นความอดทนสูงมโนแย่คงศัจกจก็ทรงมีศั จ, จทุกลำดับขั้นตอนของการบำเพ็ญบารมีแต่ว่าเรื่องทานเป็นเรื่องใหญ่ท่านก็เรียกว่าทานบารมีท่า น, นั้นเองก็อย่างที่เคยตั้งข้อสังเกตเอาไว้ว่าบารมีหลักก็คือทานศีลปัญญาและเนคขมะ เพราะบารมีก็คือสิ่งที่ทําหน้าที่ บ, บําบัดขจัดความโลโภโกรธลงออกไปศีนั้นกขจัดโลภะเป็นหลักธาตุนั้นกขจัดโลภะเป็นหลักศีนก็ขจัดโทสะกับโลภะเป็นหลักปัญญาก็ขจัดโมหะเป็นหลักเนคคามาก็ขจัดทุกๆอย่างเพราะเป็นการปฏิบัติที่พัฒนาตัวเองสูงขึ้นทั้งโดย รูปแบบและโดยเนื้อหาในด้านของสัจจะบา ร, รมีตามปกติแล้วเนี่ยจะเน้นไปในภาคการใช้งานซึ่งก็หมายความว่าทรงดำรงมั่นคงอยู่ในสัจจะวาจาบ้างสัจจะปฏิญาบ้างสัจจะปฏิญญาบ้างสัตยาทิฏฐานบ้างแล้วเมื่อดำรงอยู่ในสัจจะข้อใดก็ทาม ก็จะทรงเป็นผู้ซื่อสัตว์ซื่อทรงต่อสัจจะข้อนั้นๆแม้บางครั้งบางคราวจะถูกบีบคั้นรุนแรงแล้วก็เสียงภัยเสียงอันตรายในการจะรักษาธรรมะไว้มันก็พร้อมที่จะรักษาธรรมะคือสัจจะเอาไว้ในสังคมพุทธเรานั้นเราคุ้นเคยกับภาษิตบทหนึ่งที่ค่อนข้างจะจําทรงกันแพร่หลาย และนํามากล่าวอ้างกันแนวการต่างๆบางครั้งก็มีการกล่าวอ้างในลักษณะใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองก็มีนั้นก็คือข้อความที่ว่าบุคคลพึงสละทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะพึงสละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตแต่เมื่ออนุสอ์ถึงธรรมะ ให้พร้อมที่จะละสระทั้งทรัพย์ทั้งอวัยวะแม้กระทั่งชีวิตเพื่อปิทักธรรมเพื่อรักษาธรรมะเอาไว้ที่จริงธรรมะข้อนี้แต่เราศึกษาความเป็นมาและอัตกถาที่ท่านอธิบายไว้มันเป็นการพูดถึงสัจจปฏิยานที่หมหาจนบริษัทได้ให้ไว้แก่พระโพธิสัตว ในฐานะที่เป็นเขาเรียกว่าปิศนาจารย์เกื้อจารย์ที่ปรึกษาเขาตัเองโดยพระโพธิสัตว์ในสมัยนั้นสวยประชาติเป็นสุตโสมบัณฑิตและโจรบริชาทเองก็ที่จริงก็เป็นพระเจ้าแผ่นดินนะพระเจ้ากรุงพาราณสีมีประนามว่าพระเจ้าพรหมทัตแห่งกรุงพาราณสีแล้วท่านเกิดติดใจในรสชาติ อาหารที่ปรุงด้วยเนื้อมนุษย์ขึ้นมาก็พยายามที่จะสวยเนื้อมนุษย์ทุกมือจนในที่สุดก็จบได้ลายทันก็ขอร้องกันให้สงเลิกสวยเนื้อมนุษย์แต่ก็ไม่ยอมในสุดก็ถูกขับออกจากตําแหน่งพระเจ้าแผ่นดินท่านก็ยังยินดีที่จะไม่เป็นพระเจ้าแผ่นดินแต่ก็ค่ได้กินเนื้อมนุษย์ แล้วก็พาพ่อครัวหรือวิเศษเนี่ยติดตามไปด้วยคนหนึ่งเพื่อปรุงอาหารที่เป็นเนื้อมนุษย์ให้พอถึงจุดหนึ่งมันไม่มีเนื้อมนุษย์ให้สวยขึ้นมาทันก็ฆ่าพ่อครัวเอาทำเป็นอาหารซะเลยแล้วก็เตลดิดเปิดเปิ้งไปกันใหญ่จนถึงกับท่านบาทเจ็บแล้วก็ไปบวงสรวงตัวเทวดาประจำต้นไส ขอช่วยดลบรนดาในท่านหายแล้วพอหายท่านก็ไปจับพระราชาในหัวเมืองต่างๆก็เรียกว่าเจ้าเมืองเล็กเจ้าเมืองน้อยทั้งหลายนะสมุดปัจจุบันเรียกว่าหัวเมืองร้อยเอ็ดก็มาเพื่อทําพิธีบูชายันแก่ต้นแก แกเทวดาที่ท่านเชื่อว่าสิงสถติตอยู่ที่ตนใสสุทโสมโพธิสัตว์ซึ่งเป็นอาจารย์มาก่อนเป็นอาจารย์ใกล้ๆกับพี่เลี้ยง น, นะนะหรือไม่ใช่อาจารย์ใหญ่ก็มาอธิบายชี้แนะด้วยประการต่างๆจนท่านสำนึกผิ่ชอบชดดีแล้วก็ให้พรแก่สุทโสมบอกว่า ให้พระเจ้าสุตโสมนั้นขอพรทั้ได้สี่ข้อแต่พรทุกข้อที่พระเจ้าสุตโสมขอนั้นเป็นประโยชน์เป็นความสวัสดีเป็นความปลอดภัยแก่บริษัทดังนั้นแล้วทั้งก็ให้ครบมาถึงสามข้อพอถึงข้อที่สี่เนี่ยทั้งก็ขอว่าให้โบริษัทนิรเลิกกินเนื้อมนุษย์ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป บริษัทไม่ยอมอ้างเหตุผลต่างๆนาน า, นาพระโพธิสัตว์ต้องก็ก่าบคาถาข้างต้นเนี่ยเพราะว่าจนบริษัทได้ให้สัจจะปฏิญาตแก่ท่านเอาไว้ว่าจะให้พรสี่ประการเมื่อขอพร ข, ข้อที่สีก็ต้องให้ถ้าไม่ให้ก็ถือว่าเสียสัจจะปฏิญาตแล้วก็สัจจะวาจาด้วย แลังจากนั้นก็ทรงเรียงลําดับความเสียสละมาว่า บ, บุคคลพึงสละทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะสละวัยวะเพื่อรักษาชีวิตแต่เมื่ออนุสศถึงธรรมะเนี่ยในที่นี้ก็คือสัจจะปฏิญาณหรือสัจจะวายจาบุคคลจะต้องพร้อมเสียสละทั้งทรัพย์ทั้งวัยวะแม้กระทั้งชีวิตเพื่อรักษาธรรมะเอาไว้ ในอตรงนี้ถ้าเราดูในพวกวิธุราชาดกซึ่งเน้นไปที่สัจจะบัณฑีก็จะเห็นว่าท่านรับสัจจะวาจาหรือสัจจะปฏิญาณเอาไว้แล้วก็ค่อนข้างเสีย่ยงไปเสี่ยงอันตรายบางก็เรียกว่าเสี่ยงเป็นเสียงตายแต่ท่านก็ต้องรักษาสัจจะตรงนั้นเอาไว้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตาม กตินิยมตรงนี้จึงมาเกิดพวกคำโครงอะไรต่างๆที่ให้ความสำคัญแก่ตัวสัวจจ์เช่นเสียศีลสมนสักไว้วงหงเสียสักสู้ประสงค์สิ่งรู้เสียรู้เร่งดำรงความสัตว์ไว้นานเสียสัตว์ไปเสียสู้ชีพมวยมรนาเราจะเห็นว่าทั้งสองข้อเนี่ยที่จริงเป็นสัจจะด้วยกัน เสียสัย์ไปเสียสู้หรืออย่าเสียสู้ชีพมว้ยบรณาที่จริงคนเหล่านั้นก็ให้สัจจะปฏิญาณเอาไว้ต่อสถาบันองค์กรของตัวเองพอพร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจแม้จะต้องเสียสละชีวิตก็ตามดต่นั้นคำโครงตรงนี้มันก็เน้นที่สัจจะทั้งสองระดับเสียศีลซดก็สงวนศักดิ์ บางทีก็เสียสัตว์แต่เพื่อศึกษาหาความรู้ความเข้าใจครูบาอาจารย์ของเราอาจจะเป็นขอทานอาจจะเป็นคนโรคเรื้อนอาจจะเป็นอะไรก็ตามแต่ว่าท่านมีความรอบรู้มีความฉลาดสามารถเราก็พร้อมจะศึกษาและเรียนกับท่านแต่ว่าบางครั้งเนี่ยแม้จะต้องยอมเสียความสัตว์เสียสัตว์สู้ประสงค์สิ่งรู้เสียรู้เด้งดำรง ความสัตว์เวลาคือความรู้เนี่ยมันก็เป็นเพียงวิชาการแต่ว่าความสัตว์นั่นเป็นคุณธรรมเป็นคุณภาพของจิตวิญญาณและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือความรู้ในส่วนของกติโลกเนี่ยต้องฟังลองสังเกตอนะเรายิ่งเรียนกิเลสเรายิ่งเพิ่มความโลภ ก, ก็สูงขึ้นความถือตัวก็สูงขึ้นกลัวก็ง่ายขึ้น แล้วก็มกกัออกจะเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางเกื้อให้ความต้องการแก่ตัวเองกระไความถูกต้องกับความถูกใจในีท่นแยกไม่ออกกลายเป็นความถูกใจของท่านก็คือความถูกต้องในความหมายของท่านเพราะสัจจะตรงนี้จึงเน้นในลักษณะดังกล่าวไว้แต่ว่าเพื่อมองภาพของสัจจะให้กระจายออกไป พลกรรมสนในตารางพุทธศาสนานั้นก็คือการแสดงสัจจะคือแสดงความจริงแต่เป็นความจริงที่ครอบคลุมนะเนื้อหาสาระทั้งหมดเอาไว้เราโดยสรุปท่านก็แบ่งความจริงออกเป็นสองระดับระดับหนึ่งเรียกว่าสมมติสัจจะคือความจริงแบบสมมติหมายความว่าเมื่อมีมีการสมมติมีการกําหนดหมายกันไว้อย่างนั้นอย่างนั้น ทุกคนก็ยอมยอมรับตามที่มีการสมมติตามที่มีการบัญญัติกันไว้ในขอน้อนี้บางครั้งบางคราวท่านเรียกว่าบัญญัติติธรรมก็ใกล้ๆกับชื่อคนสถานะตำแหน่งถนนน้นทางอะไรอะไรเนี่ยมันก็ไม่มีชื่อหรอกแต่ถ้าไม่บัญญัติชื่อเรียกมันก็ไม่มีอะไรกําหนดหมายก็ใกล้ๆกับอะไรละ่ะ ภาคต่างๆที่เราเอามาเพิ่มกิเลสให้แกตัวเองแล้วก็แบ่งแยกสังคมออกไปจนถึงก็สบประมาทดูถูกดูหมินกันแม้ในชนชาติของตัวเองจนว่าภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ภาคอีสานพวกภาคนั้นพวกภาคนี้ดูถูกดูหมินกันแล้วก็แบ่งแยกกันแม้แต่ระดับผู้นำความคิดทางการเมืองทางสังคม ก็ยังมีความรู้สึกแบ่งแยกเป็นโควตาภาคนั้นภาคนี้เท่านั้นเท่านี้หัวหน้าเป็นภาคนี้เลขาต้องเป็นใ้ภาคหนึ่งรองเลขาต้องภาคหนึ่งรองหัวหน้าภาคต้องภาคหนึ่งอะไรแต่แสดงว่ามันเป็นการเสริมอัตราให้แก่ตัวเองแล้วก็หลงยึดติดในสิ่งที่สมมติทับซ้อนกันอยู่เพราะในเมื่อโลกมันกลมเนี่ยภาคมันก็ไม่มี ถ้เหนือภาคกลางภาคใต้ภาคอีสานที่จริงไม่มีโดยธรรมชาติโดยสัจจะภาวะและก็ไม่มีแต่เป็นการสมมติเพื่อกำหนดทิศทางในการไปในการมาในการสื่อสารกันเท่านั้นเองเราจะพูดว่าจังหวัดนราธิวาสเป็นใต้สุดจังหวัดเชียงรายเป็นเหนือสุดสยามถามว่าใครพูดอ่ะคือคนที่อยู่ทางใต้ก็พูด ว่าเชียงรายั้านเหนือสุดของสยามแต่ว่าถ้าพวกมาเลเขาพูดนาราธิวาสก็เป็นภาคเหนือพวกเราเขาพูดเชียงรายก็เป็นภาคใต้พม่าเขาพูดก็กลายเป็นภาคตะวันออกลาวอีกด้านหนึ่งเขาพูดนะก็กลายเป็นภาคตะวันตกมันพูดจากจุดที่เรายือนอย่แง่นั้นเอง แต่แม้ก็กลายเป็นอัตตาเป็นตัวตนมีการแบ่งแยกกันแลแ้วเตลิดเปิดเปิงเข้าไปในวัดในวาระสงฆ์องค์เจ้าเองก็เล่นภาคเล่นพวกสมพานภาคใต้ลูกวัดก็เป็นภาคใต้แต่ครึ่งคอนวัดสมพานภาคอีสานลูกวัดก็เป็นภาคอีสานแต่ครึ่งคอนวัดมีลักษณะเป็นใหญ่เนี้ยมันคิดียกว่าสมมติทบอซ้อนสมมติทับสมมติลงไป แล้วก็หลงยึดติดในสมมติตรงนั้นแต่ที่จริงมันเป็นเครื่องกำหนดหมายเป็นสื่อสารให้เกิดความเข้าใจกันดาวนันเองไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะย่องต้องยึดติดในนามที่เป็นอัตตาตัวตนกันจนถึงดูถูกดูหินกันอย่างนั้นลักษณะของบรรดาติธรรมนั้นคือธรรมที่ไม่มีสภาวะเหมือนรูปธรรมและนามธรรมแต่เป็นธรรมี่สมมติกันแล้วก็ตั้งขึ้น ผือใช้พูดพูดจาว่าขานกาันแล้วก็แบ่งท่านแบ่งประเภทเป็นใหญ่ๆเอาไว้เป็นสองประเภทเประเภทหนึ่งก็เรียกอัธบับัญญัติเป็นบัญญัติที่ตั้งขึ้นเพื่อรู้เนื้อความของรูปร่างสันฐานลักษณะอาการแต่ชื่อนั้นหมายความว่าพจเนี่ยเวละพูดออกไปมันเกิดเป็นภาพคือคนฟังในเห็นเป็นภาพเราพูดว่า ภูเขาเราพูดว่าต้นไม้พูดว่าบ้านพูดว่ารถพูดว่าเรือนพูดว่ากินพูดว่าเสเวยพูดสวยงามไม่งามอะไรต่าีๆคือมาความว่าภาพมันเกิดขึ้นตามพล ท, ที่สื่อนั้นก็แสดงว่าจริงๆก็เป็นเรื่องสมมติบัญญัติกันใ น, นเกิดความเข้าใจแล้วบางครั้งบางคราวมันเป็นการสื่อสารที่เป็นภาพรวมของสมมติหลายเรื่อง แต่สิ่งเหล่านัน้นก็มีความจึงจ่าอยู่ภายในใจเรามันเป็นโพนเป็นภาษาแต่ว่าสื่อขึ้นไปมันก็เป็นภาพก็ือเป็นรูปขึ้นมาเช่นว่าหมาสมุดสุดดึกล้นคนนาหมาสมุดมันก็สมมติเอาสายดิงทิ้งทอดมาอย่างได้สายดิงนั้นก็เป็นเครื่องกาหนดเรียกเอาคนอื่นก็อาจจะเรียกอย่างอื่นก็ได้ เขาสูงอาจวัดว่ากำหนดภูเขาเนี่ยเราก็นึกภูเขาสูงจิตมนุษย์นั้นซ้ายยากแท้อย่างถึงเราเนี่ยมันเป็นพดนแต่มันสร้างกันมาเป็นภาพแต่ว่าก็แล้วแต่ใครจะเรียกชื่ อ, อยังไงเพราะจริงๆิงมันสมมุติอ่ะแต่บางครั้งบางคราวเราก็มาถูกเฉียงยึดติดในแนวของสมมุติตรงเนี้ยจนทะเลาะวิวาดกันด้วยชื่อ ซึ่งทั้งหมดไม่ใช่จริงสักอย่างเดียวเพียงแต่สมมติกำหนดหมายกันว่าอย่างของอย่างเดียวเนี่ยอย่างว่าคนคำเดียวเห็นไหมเราก็เรียกโดยภาษาต่างๆกันเจ้าอย่างหว่ากินคำเดียวตายคำเดียวเนี่ยภาษามันเยอะที่จะสื่อสารเนี่ยเพรนี้เป็นเรื่องของอัธบัติ คือเป็นบัญญัติที่ตั้งขึ้นเพื่อให้รู้เนื้อความแห่งรูปร่างอิปการหนึ่งก็เรียกว่าสัทธบัญญัติเป็นความรู้ตามอัธบัญญัตินะหมายความว่าพอพูดถังภูเขาเราก็นึกถึงภูเขาได้พูดถึงแมวเราก็นึกว่าแมวได้พูดถึงคนเราก็นึกถึงว่าคนได้ทําให้เรานึกถึงลักษณะ สัด ส, ส่วนรูปร่างแล้วก็สามารถที่จะสะเกิดสเกิดออกมาเป็นภาพได้นะฮะแต่เราเขียนภาพเป็นในอย่างน้อยก็เราก็เขียนอะไรให้ให้คนอื่นสามารถที่จะจินตนาการออกไปได้ในการบัญญัติสองประการ ใ, ใหญ่นี้ก็แบ่งย่อยออกไปอีกแบ่งย่อยไปถึงหกประการตรงนี้เป็นเรื่องสมมติสัจจ์นะครับหมายความว่า มันก็อยู่ในกรอบที่เราจะต้องทำความเข้าใจเดี๋ยวเข้าถึงความจริงของสิ่งเหล่านั้นเพราะแนตวตรงเนี้ยจริงจริงมันเป็นอยู่ในกลุ่มของทุกขสัต์นะมันเป็นสภาวะธรรมตามกลุ่มของทุกขัสัตว์มันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่มันก็ดับไปเพราะเราถามว่ามันเกี่ยวข้องกับสัต์จะกบรมีไหมก็เกี่ยวเพราะว่าเราจะต้องเข้าถึงความสัตว์ตรงนั้นแล้วก็สภาวะเหล่านั้น มันจะต้องมีสัตยาธิษฐานที่จะทําความเข้าใจกับเขาหาความรู้ความเข้าใจในตัวเขาแล้วก็จนถ่ายถอนความยึดติดในสิ่งเหล่านั้นว่าเป็นของเราว่าเป็นเราว่าเป็นตัวตนของเราออกไปได้ประการต่อไปนั้นเขาเรียกว่าในอัธบัญญัติเนี่ยคือหมายความว่าบัญญัติโดยให้เราเข้าใจ รู้เนื้อความของสิ่งที่เราพูดถึงตรงนั้นมันเกิดขึ้นโดยอาศัยรูปร่างนะเช่นภูเขาเช่นมีเช่นจานเช่นโต๊ะเก้าอี้อะไรต่ออะไรเนี่ยเช่นเรือนเช่นอะไรเราก็จะเห็นว่าพอได้ยินเสียงเนี่ยเราก็นึกถึงรูปร่างนึกถึงสันฐานของสิ่งเหล่า น, นั้นได้บางครั้งก็เรียกว่าสมหวบัญญัติคือเอาอะไรมาเกาะกลุ้มกันหลายๆายอย่าง เช่วความเป็นบ้านความเป็นเรือนความเป็นรถความเป็นอาคารสถานที่ต่างๆเนี่ยมันเริ่มต้นจากไม่มีแล้วก็คิดจะให้มีแล้วก็ออกแบบขึ้นตามที่คิดมีการตกแต่งกันไปเรื่อยๆนะเสร็จแล้วก็ตัวนั้นมันก็ยังไม่เป็นในสิ่งนั้นนะแล้วก็เริ่มสร้างขึ้นสร้างไปตามลําดับจนกว่ามันจะเป็นรูปร่างเกิดมา วนนี้แสดงว่าการประชุมกันพอถอดเครื่องประกอบเหล่านั้นออกมันก็หมดเมความเป็นบ้านความเป็นเรือนที่จริงไม่มีอยู่โดยสภาพเพราะมันเริ่มต้นจากความคิดเฉยๆแล้วมันจบลงที่ไม่มีเพียงแต่ว่าเมื่อก่อกลุ่มกันอยู่เราก็ถือว่าเป็นบ้านเป็นเรือนเป็นรถเ ป, นเป็นการกําหนดหมายกันก็เรียกว่าเป็นสมุหบัญญัติคือของมันก่อกลุ่มกันอยู่เหมือนเรือนเหมือนรถเนี่ย ที่ท่านบอกว่าที่จริงแล้วทุกเท่านั้นเกิดขึ้นทุกเท่านั้นตั้งอยู่ทุกเท่านั้นดับไปนอกจากทุกไม่มีอะไรเกิดนอกจากทุกไม่มีอะไรดับไอ้นั่นเป็นเป็นปรมาจารยจนะครับเป็นความจริงระดับที่แท้จริงทีนี้ประการต่อไปนั้นสัตตะบัญญัติมันเป็นการประชุมของขันท่าตาญาณะแล้วเราก็กําหนดเรียกเป็นช้างเป็นม้าเป็นโคเป็นแพะเป็นแกะเป็นไก่เป็นนกเป็นอะไรต่อะ เราเห็นวไว้ความเป็นสัตว์เหล่านั้นมันไม่มีชื่อเหมือนกันแต่เมื่อเราไปรู้จักเขาเราก็ตั้งชื่อขึ้นเพื่อสามารถสื่อสารทําความเข้าใจกันได้บางคราวก็เป็นเครียกว่าทิากาลที่บัญญัติคือเป็นการบัญญัติขึ้นโดยอาศัยความหมุนเวียนของจั ก, กรกลาศีเช่นวันเช่นเดือนเช่นปีเช่นขึ้นเช่นแรมเช่นอะไรตัวไหนีเโดยการหมุนเวียนของจั ก, กรกลาศี่ย ก็เป็นการกําหนดนับกันเพื่อเรียกว่าเนี่ยหนึ่งปีแล้วหนึ่งวันแล้วสองวันแล้วสามวันแล้วที่เราก็กําหนดเอากว่าจะลงตัวได้อย่างที่ใช้เรียกกันในปัจจุบันที่จริงท่านแต่ก่อนท่านก็ใช้เวลาด่านเพราะจักรราศีที่หมุนเวียนที่จริงไม่มีวันจันทร์การพูดเปลือหัดอะไรเราตั้งเราเองตั้งเชื่อ เ, เอง แล้วก็กลายเป็นทับซ้อนมีเริกภานาชีมีดวงมีอะไรต่ออะไรโอ้ยมันรุงรังไปหมดแหละทั้งๆที่จริงเลยมันมีอะไรการเวลามันก็หมุนเวียนไปตามจักรราศีของมันเพียงแต่เราใช้กำหนดหมายเพื่อนับเพื่อคำนวณเพื่อรับรู้กันในสมมติบัญญัติทรงนั้นแต่ว่าไม่ใช่หลงยึดติดจนมากมายไกลกองกลายเป็นเรื่องไสยศาสตร์เป็นโหราศาสตร์เป็นวันดีวันไม่ดีอะไรขึ้นมา กอนอกเรื่องออกไปเยอะนะครับต้งฟังทั้หลายใต่ร่มพรปติยาณในวันนี้ข อ, อยุติไว้ด้วยเวลาเป็นเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบุญในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายด้วยตัวกันสวัสดี